รรมีแต่ศักแต่ว่าการเดิใไปการมาการทำความภาคเพียนเช่นการเดินจงกรมนั่งสมาธิเชี่ยวพาวนาในที่ต่างๆแต่ไม่ได้ใช้ความคิดา่ณาใจตรองตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนั้นผลไม่ค่อยจะปรากฏมักจะแสดงออก ในความสแสลงต่ออัดต่อทมเสมอหากผู้ใช้สติปัญญาถือโดยถือหลักธรรมเป็นพื้นฐานเป็นทางเดินหรือเป็นเข็มทิศย์อยู่บ้างแล้วก็ย่อมจะได้สติปัญญากูบายต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆ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 ทั้งเหตุก็ประจักษ์โดยพระองค์เองเป็นผู้ดำเนินทั้งผลก็สัมผัสสัมพันธ์ในพ ร, พระไทยอยู่สม่าโดยสม่ำเสมอจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจ ถ, ถึงได้รับผลเป็นที่พอพระไทยแล้วนำทำเหล่านี้ออกมาแสดงเพื่อเป็นแบบเป็นชบับ เป็นทางเดินของผู้ดำเนินตามเช่นิกสุบริษัทเราหรือสาวกท่านดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวนันนี้ท่านไม่ทำสักิ์แต่ว่าทำเพราะธรรมนั้นเป็นธรรมที่กลั่นกรองอย่างละเอียดที่ท่วนทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว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 ซึ่งทำให้เราโง่อยู่เสมอนั้นออกไปได้โดยลําดับตามทางของศาสดาไม่มีทางสงสัยเพราะธรรมนี้ไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่เวลาเวลาพอที่จะคืึกเือล้าสมัยไม่ทันกับเหตุการณ์คือกิเลสซึ่งเป็นค่าสิบของธรรมหรือค่าสิบของเรา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 นี่ผิดกันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำหรือในเนือ้อมผาลุกขมูลล่มไม้ล้วนแนวตั้งแต่สั่งสอนหรือชี้บอกทางอันเป็นชัยสมรภูมิอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติไม่สงสัยว่าสถานเหล่านี้จะครึกจะลาสมัย จะไม่ทันกับเหตุการณ์คือการต่อสู้กับพิเรจอุบายต่างๆที่ทรงสั่งสอนนั้นเป็นงานของจิตที่จะพึงทำในสถานที่ดังกล่าวนี้ก็เหมาะสมกันอย่างยิ่งท่านสอนย่อเบื้องต้นก็เกษารวมานขาทางตาตะโจเราพึงพิจารณาดูตามเนื้อ อาการที่พระองค์ทรงสอนไวน้นี้ด้วยความจดจ่อต่อเนื่องทางสติปัญญาดูสิจะเป็นอย่างไรบ้างทำเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่โลกติดไม่ได้ติดอะไรใหญ่โตมากยิ่งกว่าติดสิ่งที่กล่าวมานี้กิเลสตัวใดไม่ใช่เป็นกิเลสที่หนาแ น, น่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสแห่งประเภท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 นอกจากสิ่งที่พระองค์ประกาศสอนไว้นี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเกษาโรมาณคาธันตาตะโจครอบไหมโลกธาตุนี้จิตเราจดจ่ออะไรหลงอะไรรักอะไรชอบอะไรพัวพันกับอะไรขณะจิตจิตที่คิดออกมาคิดเรื่องอะไรก่อน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 กีจักรวาลดังที่ท่านสอนไว้ในอัฏฐในธรรมว่าสิ่งเหล่านี้ใหญ่โตไหมเอามาเทียบกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงแนะทรงบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นภัยเป็นภัยนี้เราลองเอามาเทียบอยูดิสิง่งนั้นไม่ได้ประกาศอย่างถึงพระไทยออกมาอย่างถึงใจของพวกเราเลย นอกจากนี้เป็นสิ่งสำคัญเท่านั้นขณะบวชที่แรกก็ประกาศกัางวานขึ้นกับพระซึ่งอุปสมบทใหม่มาเกซาโลมานขาทันตาตะโจให้พิจารณาไตรตรองให้ดีทั้งทางอนุโลมต ะ, ตะโจดันตานขาโลมาเกซาทั้งปฏิโลม ย้อนหน้าถอยหลังพินิจพิจารณาให้ดีสิ่งเหล่านี้แลเป็นสิ่งที่ปิดบังจิตใจของโลกให้มืดมนอนต ก, การอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากลางคืนกลางวันไม่มีสิ่งใดที่จะทำจิตใจให้มืดให้รุ่มหลงให้ติดพันและสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองมากยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เนะเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากที่สุดหนานแน่นที่สุด และแก้ยากที่สุดไม่มีใครจะแก้ได้ถ้าไม่มีองค์ศาสดาเป็นครูสอนก่อนและเว้นศาสตาซึ่งทรงสยามภูเท่านั้นจะอุตริไปรู้โดยลําพังตนเองนี้เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งอย่างนี้หนานแน่นมากที่สุดจนหาทางแวกว่ายออกไม่ได้เลยถึงกับไม่สนใจที่จะแวกว้ายออกจากสิ่งอย่างนี้นอกจากแต่เห็น ว่ามันเป็นขุนทั้งๆ ท, ที่มันเป็นมหันตโทษมหันต์ตุกบนหัวใจสัตว์ให้เกิดแจกเจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยการเกิดแจกเจ็บตายก็แบกทุกไปทุกพกทุกชาติเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นสาเหตุไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเลยนี่แหละการสอนสถานที่จึงสอนเน้นหนักลงไปในสถานที่ที่พระองค์ทรงดําเนินมาแล้ว และได้ผลเป็นที่พอประทัยว่าเหมาะกว่าสถานที่อื่นใดที่ว่าจเจริญเจริญกันนั่นมันจเจริญเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพอกหัวใจของสัตว์โลกให้มากมูลหนุนขึ้นเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำทกิเลสให้เบาบางลงได้เหมือนสถานที่ที่ท่านสอนอย่างเน้นหนักทุกระยะทุกองของพระ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 ผู้ไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเช่นลุกขมูลล่มไม้ประเภทต่างๆคือลุกขมูลล่มไม้ตามธรรมดาและลุกขมูลล่มไม้ซึ่งเป็นที่เปรียวน่าหวาดเสียวน่ากลัวและเป็นลุกขมูลที่ทน่ากลัวยิ่งเข้ากว่านั้นยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกทั้งกลางวันกลางคืน นี่ลุกขมูลประเภทนี้เป็นลุกมูลที่จะให้ผู้บำเพ็ญทั้งหลายตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งสติตั้งท่าทางต่อสู้โดยทางสติทางปัญญาเพื่อหาทางออกและเพื่อหาทางแก้ไขสิ่งที่เป็นภยัยเบื้องต้นก็คือความกลัวของเรานั่นแหละเป็นภยัยไปหมายเอาสิ่งนั้นว่าเป็นภยัยหมายเอาสิ่งนี้ว่าเป็นภยัยโดยลำพังแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นภัยจริงๆด้วย บวกกันเข้ากับความกลัวของเราจึงเป็นมหันตะไพรอันใหญ่หลวงที่เราจะต้องได้ห้ามหันกับมันด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาแยกแยะ ก, กันให้เห็นเหตุเห็ผลกับสิ่งเหล่านี้จนถึงกับจิตแยกตัวเข้ามาสู่ความสงบคือเกาะเป็นที่กําบังได้อย่างปลอดภัยคือจิตสงบได้ด้วยการพิจารณา ทางสติหรือทางปัญญานี่นี่แหละหลักใหญ่ของการปฏิบัติจึงเป็นความหมายอันหนักเป็นความหมายที่แน่นหนามัน่นคงเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากในคําว่าล an ุกขมโรเซนาสนังตามทางพระองค์ที่ทรงดําเนินมาแล้วตลอดสาวกทั้งหลายมักจะผ่านลุคโมูลเซนาสนังนี้มาแล้วอยากจะพูดว่าเกือบร้อยทั้งร้อย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 ยิ่งอยู่ลุกขมูลล่มไม้ที่เปียยบโดยแล้วเอาอะไรมาเป็นเครื่องกัก้นกลางให้เกิดให้มีความปลอดภัยเ่าไม่มีนอกจากทรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องปลอดภยัยภายในจิตใจของตนแม้ชีวิตจะหาไม่เพราะสิ่งเหล่านั้นทำลายก็าตามแต่จิตนี้จะไม่ปราบจากหลักธรรมที่ตนยึดอย่างแน่หนามั่นคงนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของตาไปเสีย แต่จิตนี้ไม่เสียท่าเสียทีจากการดาเนินนี่ล่ละท่านพาดำเนินมาเช่นนี้พระพุทธเจ้าคนพระสาวกคนการสอนจริงให้จะให้ท่านสอนไปอย่างอื่นนั่นใครจะไปถนัดใจเ่าพอเมื่อรู้เห็นเหตุผลต่างๆเต็มหัวใจแล้วด้วยวิธีการเช่นนี้ด้วยสถานที่และการกระทาเช่นนี้แต่แล้วไพล่ไป สอนสถานที่อื่นๆเรียกว่าเกาในสถานที่ไม่ขันอย่างนั้นใครจะเกาได้ลงขอใครจะสอนได้ลงคอลราต้องสอนจุดที่เคยได้รู้ได้เห็นได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วทั้งนั้นด้วยความเต็มหัวใจไม่สงสัยในการสอนเพราะได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะนี่นะการดำเนิน ด้วยการพินิจพิจารณาในความหมายของแต่ละสิ่งอย่างที่พระองค์ประทานโอวาทให้แก่พวกเราทั้งหลายมีลูกขมูลเป็นต้นนั้นก็ตามท่ามเมื้อผาชายป่าในเขาในป่าโรคชัดซึ่งเป็นสถานที่ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยความมีสติ ถ้าต่อสู้มีปัญญาถ้าหาทางออกเสมอไม่ใช่นอนจมอยู่เหมือนหมูจมปักนั้นเช่นนั้ น, น, นผู้พิจารณาผู้ปฏิบัติตามจึงควรใช้การพินิจพิจารณาในความหมายแห่งธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้แล้วเหล่านี้อย่างไรก็ไม่พ้นที่จะเห็นประจักษ์ในตนขณะที่บำเพ็ญอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี้ต้องเห็นชัดชัด ถ้าเป็นนักต่อสู้นักพิจารณาตามพระโอาวาทที่ทรงสอนแล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นเพียงนี่เราเพียงตัวเท่าหนูเราก็ได้เห็นประจักษ์มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หุนแล้วและกล้าที่จะพูดต่อเพื่อนฝูงไม่เพียงแต่ว่าเป็นพระาว่าที่ทรงสั่งสอนมาแล้วว่าลุกขมูลเซนนาสนังหรือในป่าในถ้าเหมือมผาอันเป็นที่เปียกๆหน้าหวาดเสียวหน้ากลัว ตอบไยทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งนั่นเลยนั่นเป็นพระว่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วอะไรน่าจะที่จะเป็นพยานหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าพระวาทีนี้เป็นพระว่าที่แม่นยำที่สุดต่อผู้ปฏิบัติก็ต้องเราเป็นผู้เข้าทดสอบกันให้ได้เห็นดำเห็นแดงกันในการอยู่สถานที่เช่นนั้นและการบาเพ็ญตน ตลอดถึงการประสบเหตุการณ์ต่างๆในสถานที่ดังกล่าวนี้แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรต่อการต่อสู้สิ่งเหล่านั้นแล้วสติปัญญาจะมาเองที่แรกเขาก็คาก็หมายว่าจะทำอย่างน้นบ้างจะทาอย่างนี้บ้างแต่พอไปเจอสถานที่ดังกล่าวเหล่านี้เข้าไปจริงๆแล้ว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 ที่ตาหูจมูกเลี้ยงกายไม่มีมีอยู่ที่จิตแห่งเดียวเพราะฉะนั้นทำท่านจึงบอกว่าทำเกิดที่ใจอยู่ที่ใจสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจให้ะระลึกขึ้นที่ใจปฏิบัติต่อตอนโดยทางใจมีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมรักษาเป็นของสําคัญมาก <c oughs> นี่เมื่อเราได้เข้าสู่สงครามทําหน้าที่ตามที่พระองค์ท่านสอนจริงๆ แม้จะไม่มากมายกายกองพิศดารไปอะไรนักหนาก็ตามเพียงภูมิของเราเท่าหนูนี้เราก็จะทราบหรือเราทราบได้โดยไม่ต้องสงสัยเห็นกันได้อย่างชัดเจนเช่นความกลัวกลัวจนขนาดตัวสั่งถึงกับจะหาที่ปรงที่วางไม่ได้แล้วตัดสินใจกันอย่างไรละ่ะเมื่อหาที่ปรงที่วางความกลัวนี่มาได้ โรงลงที่ความตายตายกับพุท ธ, ธะตายกับธรรมะตายกับสังคะที่เกิดที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่สนใจที่จะแยกจิตให้สายแสกไปหาสิ่งใดก็ตามที่เห็นว่าเป็นภยัยนอกจากสิ่งที่ไม่เป็นภยัยคือเป็นคุณล้นล้วนได้แก่ธรรมที่อยู่กับใจนี้เท่านั้นนั่นเมื่อจิตหมุนติ้วอยู่กับธรรมล้นล้วนนี้แล้วจะเป็นพลังขึ้นมาที่ใจของตัวเองเพราะธรรมเกิดที่นั่น แล้วสร้างกำลังฟักตัวขึ้นที่นั่นสร้างกาลังขึ้นที่นั่นอย่างรวดเร็วด้วยความสนใจใครจะรู้จะเห็นใครจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมโดยแท้ธรรมย่อมปรากฏขึ้นมาถึงกับเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งความสงบความแน่นหนามั่นคงของใจภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้ พูดถึงเรื่องความแน่นหนามันคงของใจใจจึงหนึ่งว่าสิ่งใดๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความลึกซึ้งความละเอียดความแยบคายความแน่นหนามันคงใจเป็นที่หนึ่งทั้งนั้นเมื่อได้ปรากฏเข้าอย่างนั้นแล้วกับตัวเองทาไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนว่าให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์และปฏิบัติต่อตัวเอง ถึงกับเห็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นสักขีพยานต่อธรรมทั้งหลายว่าท่านสอนนั้นทำเป็นสัวรรค์ธรรมโดยแท้เพราะใจเป็นเครื่องยืนยันใจเป็นผู้ยืนยันเมื่อใจเป็นผู้ยืนยันแล้วย่อมจะเชื่อพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องเห็นองค์ท่านพระองค์ท่านก็ตามเถิดธรรมนั่นแหละคือองค์ของศาสดาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็เวลานี้เราเห็นอะไรอสมาธิธรรมก็เป็นธรรมแล้วใช่ไหมนั่ ความแน่นหนามั่นคงอย่างถึงใจคือสมาธิทำอย่างละเอียดนั่นก็เป็นสมาธิทำนั่นก็คือองค์แห่งธรรมเมื่อเห็นองค์แห่งธรรมนี่แล้วดูแลในหัวใจของเราทำไมจะ ส, สงสัยผู้เจ้าว่าสอนผิดไปแล้วยิ่งกว่านั้นสติปัญญา ย, ยังสามารถแยกแยะสิ่งทั้งหลายออกให้แตกกระจายกระจายเป็นดินเป็นนา้าเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุต่าง ออกจากความเป็นความตายออกจากความกลัวความอะไรไปเสียหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วกลัวอะไรจิตก็มีแต่ความจริงเต็มหัวใจแล้วกลัวอะไรความจริงความจริงไม่ใช่เรื่องกลัวความปลอมต่างหากมันกลัวนั่นเมื่อความจมปลอมมันออกจากหัวใจหมดแล้วเหลือแต่ความจริงล้วนกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้เป็นสักขีพยานขององค์ศาสดาและกราบพระองค์ท่านอย่างสนิทไม่สงสัย ในสถานที่ที่กลัวๆในขณะก่อนนั่นแหละแต่กลายเป็นสถานที่กล้าที่สุดในหัวใจของผู้ปฏิบัติขึ้นในเวลานั้นและเป็นองค์ข้าพยานแห่งรัตศดาโดยไม่ต้องสงสัยในตัวเองนี่นะการปฏิบัติเม <c oughs> ื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็เรียกว่าเห็นธรรมการเห็นธรรมทางด้านจิตใจ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 เป็นวิสัยที่จะรู้จะเห็นสิ่งต่างๆเมื่อได้รู้ได้เห็นขึ้นภายในใจิตใจแล้วอะไรจะมาคัดอะไรจะมาคานตาหูจหมูกลิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้จะเห็นจริงๆโดยหลักธรรมชาติของใจที่ที่จะรู้นั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเราเห็นสิ่งใดด้วยตาเราย่อมอาจหารที่จะพูดได้ตามสิ่งที่เห็นนั้น ตามสิ่งที่ได้ยินนั้นตามสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์นั้นๆไม่สงสัยตามตัวใจเมื่อได้สัมผัสสัมพันธสทำประเภทใดแล้วก็ย่อมจะหายสงสัยประจักษ์ใจมีความองอาจกระหานเต็มหัวใจที่จะแสดงออกได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทำที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้นี้จึงไม่ได้ผูกขาดกับผู้หนึ่งผู้ใดจะรู้เพียงผู้เดียว ภัยก็ตามได้ปฏิบัติตามสอบขาธรรมนี้แล้วมีสิทธิ์ที่จะรู้จะเห็นประจักษ์ตัวเองเต็มภูมิแห่งการปฏิบัติของตัวเองและสามารถที่จะแสดงออกได้เต็มภูมิของตัวเองโดยไม่สะทกสถานนี่จึงเรียกว่าเห็นการพูดด้วยความรู้การพูดด้วยความเห็นการแสดงออกด้วยความสัมผัสสัมพันธ์จริงๆแล้วย่อมจะไม่สงสัยในสิ่งที่แสดงออกทั้งหมด นอกจากเราได้เพียงได้ยินคำบอกเล่าเท่านั้นเป็นไปได้ในความสงสัยถึงจะรู้ภาษีภาษาคก็าตามว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็เป็นความจำจำมาแล้วก็ไม่พ้นที่จะมารบลวนตนเองให้เกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อตนเองได้สัมผัสสัมพันธ์จริงๆด้วยใจนี่แล้วไม่ว่าสมาธิทำอ่ะยกถึงเรื่องสมาธิขึ้นมายกสมาธิขึ้นมา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 จนกระทั่งถึงปัญญาขั้นมีความสามารถแก่กล้าถึงขั้นมหาสติปัญญาจะทราบตนได้โดยลําดับว่าปัญญาอย่างนี้ได้หรือปัญญาเกิดเป็นอย่างนี้หรือธรรมเกิดเป็นอย่างนี้หรือนักรู้ได้ชัดโดยชัดโดยชดัโดยไม่ต้องไปถามใครแหละเพราะสันติโกรพระองค์ทรงผ่านมาแล้วและสอนโลกไว้ผู้ปฏิบัติไว้ด้วยสันทิติโกว่าจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นเองจากการปฏิบัติของตัวเอง แล้วปัญญาที่ว่าทำสังหารกิเลสนั้นสังหารอย่างไรเราอ่านตามคมพีเวลานเรียนมาเท่าไหร่ก็ตามไม่ได้ประมาทไม่ว่าท่านว่าเราเพราะการเรียนเป็นภาคความจำไม่ใช่ภาคความจริงสังหารกิเลสจึงได้แต่ความจาแล้วก็ไม่พ้นที่จะเกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อความจริงได้อย่างทราบถึงกันกันแล้วเอาที่นี้ยกตัวอย่างเช่นการฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรนี่ก็ไม่ต้องถามใคร ความโลภมีเป็นกิเลสตัวหนึ่งความโกรธเป็นกิเลสตัวหนึ่งความหลงเป็นขั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดของความหลงก็เป็นกิเลสแต่และประเภทประเภทราคะตัณหาเป็นกิเลสประเภทหนึ่งการสังหารกิเลสเหล่านี้สังหารด้วยอะไรสังหารด้วยปัญญาฟังที่ว่าขนาดปัญญาทําไมจะไม่ทราบการสังหารกิเลสด้วยตนเองโดยวิธีการใด น, นะปัญญาต้องทราบละเอียดละออปัญญาต้องแหลมคมปัญญาต้องรอบตัว ถึงจะฆ่ากิเลสได้และฆ่ากิเลสจนถึงที่หายไ ป, ปวงไปโดยลำดับหนาจงกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วทำไมปัญญาจะมาสงสัยตนเองถึงขั้นฆ่ากิเลสหมดไปจากใจแล้วก็มีแต่ความบริสุดพุทโธเด่นดวงขึ้นมาสามารถที่จะพูดได้สามแดนโนกฐาเพราะจิตเป็นผู้สัมผัสสัมผั์ทำไมจิตจะพูดไม่ได้เมื่ อ, อเครื่องมือมีอยู่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 เพราะสิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่ปิดบังมันมีอยู่ต่อเมื่อมันได้กระจายออกไปหูตาภายในสว่างกระจ่างแจ้งแล้วทําไมค่าขี้เหร่ตัวไหนลงไปขาดสะบั้นลงไปจะไม่รู้แล้วจิตนี้มันติดอะไรอะไรทั้งทั้งทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยรู้ก็เห็นว่าจิตนี้ติดอะไรมีอะไรผูกมาจิตใจมีอะไรบีบคั้นจิตใจมีอะไรทับถมหัวใจจึงก้าวไม่ออกตามความต้องการของตน ตอเมื่อสติปัญญาได้ฟาดฟันหั่นแหลกเข้าไปตรงจุดที่ว่ามันมืดบอดนั่นแล้วปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานี่แล้วทำไมจะไม่รู้ว่ากิเลสนี้เป็นตัวมืดแต่ก่อนบัดนี้สว่างแล้วเพราะกิเลสสิ้นไปหายไปนั่นหละท่านมาอะโลโกวดไปความสว่างโล่ขึ้นผ่านจิตใจเพราะกิเลสสิ้นสร้างลงไปแล้วนัน่นแสดงว่แล้วนี่ยมาจากกัปปะตนาสี นี่เป็นหนังนี้แล้วเมื่อจิตปัญญามีความละเอียดมากเข้าเพียงไรพิเลดประเภทใดที่ได้สังหารลงไปแล้วไม่มีเหลือก็ทราบที่ยังมีมากมีน้อยเพียงไรทราบทราบไปโดยลาดับและตามตีตามต้อนกันเข้าไปลาดับเหมือนกับไฟได้ชือไหมกันเข้าไปเผากันเข้าไปด้วยตปธรรม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 ถือพระองคเป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องยืนยนันเป็นสักดีพยานเป็นที่พึ่งที่เกาะแต่บัดนี้ไม่พึ่งแล้วนั่นพระสารีบุตรพูดในตํารามนันเวลานี้ไม่พึ่งแล้วไม่พึ่งพระพุทธเจ้าไม่พึ่งอะไรแล้วฟังสิจ้างจะทั่งพระปุตชนทั้งหลายที่หนาแน่นไปโดยเจดีย์ไม่ทราบความหมายอันลึกซึ้งของธรรมประเภทนี้แล้วเขากราบทูลร้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิด แต่ก่อนเคยพึ่งพระศาสดาเคยพึ่งพระองค์เคยพึ่งอะไรอะไรก็ตามบัดนี้ภาษาดิบุตรบอกว่าไม่พึ่งอะไรแล้วว่าอย่างนั้นภาษาริบุตรกลายเป็นมิจฉาลิทิอย่างใหญ่หลวงไปแล้วเวลานี้ะแต่พระองค์ฟังที่ว่าศาสดาองค์เอกไม่ได้ทรงตำหนิพระษาดิบุตรแม้ประโยคเดียวนิดหนึ่งเลยทรงรับสั่งให้พระาให้ภาษาริบุตรเข้าเฝ้าในถ้ำกลางแห่งสงศ์ตามแห่งพระ แห่งสงตาบอดทั้งหลายเหล่านั้นได้ให้ได้ยินได้ฟังระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรซึ่งเป็นจอมปรา ด, ด้วยกันสนทนาธรรมอันละเอียดแล้มคมที่สุดเนื้อโล ก, กท่าเนื้อปุตตุชนทั้งหลายนี้ให้ได้ฟังถึงกันทั่วถึงกันในเวลานั้นว่าอย่างไรสารีบุตรว่าเธอไม่พึ่งเราเธอไม่พึ่งอะไรอะไรทั้งนั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะนั่นท่าน คุณตอบรับพระพุทธเจ้าใช่พระเจ้าข้าเอาเพราะเหตุไรชีกยังเหตผลมาแต่ก่อนข้าพระองค์ได้พึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อแนะนําสั่งสอนอย่างนั้นอย่างนั้นถึงจะเข้าไปได้เดินไปได้ต้องอาศัยทําบทนั้นบทนั้นเป็นเครื่องแก้เครื่องถอดเครื่องถอนจึงแก้เครื่องถอดถอนเย้ทั้งหลายได้บัดนี้ข้าพระองค์ได้ถอดถอนกิเรสให้สิ้นซากไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วมันมีอะไรเหลือคําแนะนําสั่งสอนของของพระองค์ที่จะมาสั่งสอนเพื่อแก้อะไรอะไรอีกไม่มี นี่แหละพระองค์ข้าพระองค์จึงอยู่ด้วยความเป็นอิสระพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังพึ่งอะไรทั้งสิน้นเวลานี้ไม่พึ่งอะไรทั้งสิน้นเพราะความบริสุทธิ์เป็นตัวเป็นธรรมชาติที่พอ ต, ต, ต, ต, ตัวแล้ว น, นั่นฟังเสีย อ, อถูกตั้งแล้วสาริบุตรนั่นพระพุทธเจ้าทรงคัดค้านใหมถูกตั้งแล้วแล้วพระสารีก้องแล้ ว, ลวสาริบุตรต้องทําตนให้เป็นอย่างนั้นอเร่าตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกท่านจริงกล่าวว่า ตุมเฮกิจังอาตับบังอักขาตาโรตถาคตาการประกอบความภากเพียรเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงทําเองและรู้เองเห็นเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ถอดถอนกิเลสทั้งหลายให้ผู้บําเพ็ญนะอันนี้เราจะถาคดทำทั้งหลายที่แสดงนี้แสดงแนวทางแสดงวิธีการถอดถอนกิเลสโดยประการทั้งปวงให้ท่านทั้งหลายฟังเมื่อ ท่านท้าหลาได้ดำเนินตามหลักที่เราสอนนี้แล้วจนถึงกับบาเพ็ญตนให้สมบูรณ์เต็มที่หาที่เกาะที่ติดที่ยึดไม่ได้ไม่มีอันไดที่จะมากดขีบ่บังคับคุกเป็นกิจที่บริสุทธิ์รุ้นแล้วนั่นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะพึงทราบตนเองโดยสรนพิที่โกนั่นฟังไปเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่พึ่งอะไรก็ถูกจะพึ่งอะไระเมื่อถึงขั้นพึ่งอะไร ท, ท, ทั้งๆที่แต่ก่อนก็เกาะติดแนบ พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ด้วยกันทั้งนั้นยิ่งกิจมีความละเอียดเข้าไปมากน้อยเพียงไรยิ่งถ้าเป็นช้างก็เป็นชก็เป็นช้างปร ะ, ประจําควานทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ควานมันมันฆ่าช้างมันไม่ยอมลงต้องเป็นควานของมันทนั้นั้นมันถึงจะยอมลงนี่ก็เหมือนกันต้องเป็นอาจารย์ของเราที่แนะนําถูกต้องแม่นยําวิธในวิธีการต่างๆ ในการถอดถอนกิเลสทุกประเภทเท่านั้นถ้าสอนผิดนี้ไม่ยอมรับนั่นยิดละเอียดเข้าไปเท่าไรยิ่งครูอาจารย์ยิ่งเป็นผู้ละเอียดที่จะสอนให้ถูกต้องบั่นยำทุกกระเบียดสอนผิดนิดนึงก็เป็นเครื่องประกาศตนภูมิของตนให้ลูกศิษย์ผู้มาศึกษานั้นฟังแล้วและขายตัวเองอยู่ด้วยว่าไงนอกจากขายแล้วยังก้าวไม่ออกอยู่ด้วยไม่ทราบจะก้าวไปยังไงสอนอย่างนี้สอนไม่ถูกนั่นนี่แหละการสอนเป็นอย่างนี้ ทำจริงละเอียดเท่าไรก็ยิ่งครูอาจารย์ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อเมื่อได้ผ่านพ้นไปหมดตัดยประการทั้งปวงแล้วสาธุเรื่องคุณค่าไม่มีอะไรยิ่งกว่าพระรหันต์ที่จะที่เห็นคุณค่าของครูของอาจารย์รยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรกราบไ่ว้พระอัศชิไปอยู่ทุกทางใดทิศใดก็าตามกราบไ่ว้ไปซะก่อนถึงจะนอนหรือถึงจะทาความภาคเพียน แต่พระษาทีวบธ์ไม่ได้ปรากฏว่าจะไปถามธรรมะกับพร ะ, พระอัสกิบทใดบ้างบาปใดบ้างที่เห็นว่าติดข้องอยู่ยังแก้ไม่ตกไม่มีนี่ลหละไม่ทูลถามพระองค์ก็เหมือนกันอันนี้นี่เรียกว่าอิสระธรรมโดยแท้ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมจากการปฏิบัติ ด, ด้วยการพินิพิจารณาอย่าใช้แต่ เท้าให้ใช้หัวด้วยนี่แต่ก้าวเดินก้าวเดินไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาพินิษพิจารณาในสิ่งต่างๆด้วยความแยบคายจะหาทางก้าวไปไม่ได้นะเห็นไปอยู่ในปา่าในเขาในสถานที่ที่เป็นบําเพ็ญกลับไปสร้างนั้นสร้างนี้ขึ้นมาใหญ่โตระหโหฐานหมดโลกสงสารยังสู้ไม่ได้นั่นมันถูกตั้งไหม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 เพียงเท่านี้พิจารณามาได้เราจะหาทำอันละเอียดเรออกมาจากไหนผู้ปฏิบัตินะ่ะต้องคิดนี่นี่แหละเรื่องทำเป็นเช่นนี้ต้องใช้เหตุใช้ผลพินิจพิจารณาเสมอจากก้าวจะเดินจะเห็นไปไหนพินิจพิจารณาเรื่องมันต้องมีพินิจพิจารณาตามไปเสมอจึงเรียกว่าใช้หัวคิดปัญญาผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทำเป็นทำ ท, ที่ละเอียดเราออกมากจากท่านพูดเป็นจอมปราบแล้มคมที่สุดคือองศ า, ศาสดาเหตุใดเรา ผู้มาปฏิบัติจึงโง่เง่าเต่าตุ่นเซ้อเซ่อซาซาพิยาอาการเคลื่อนไหวไปมาอันใดหาความคิดความอ่านหาความเฉลียวฉลาดไม่ได้จะเอาอะไรไปฆ่ากิเลสเอาความโง่ไปฆ่ากิเลสเราก็โง่เพราะกิเลสฆ่าเราอยู่แล้วอย่านี้เรายังไม่ซาดยังไม่เห็นโทษของกิเลสบีบบังคับเราให้โง่อยู่เหรือเรายังจะเอาความโง่ไปฆ่ากิเลสได้ยังไงนอกจากจะเอาสติปัญญาศรัทธาความเพียรไปฆ่ากิเลสเท่านั้น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 แปลว่าทำเหนือโลกคือโลกสมมุติโดยประการทั้งปวงเหนือหมดจิต ด, ดวงที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเช่นนั้นเราไม่ต้องคอยไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ผ่านแล้วกว็าตามแม้ยังทร ง, งพระชนอยู่ก็ไม่ถามถามทําไมธรรมะอันนี้อยู่กับหัวใจของผู้สัมผัสธรรมอย่างเป็นที่แล้วโดวยกัดเองไม่มีอะไรจะถามกันสันติโกสันติโกโดยลําดับจกนกระทั่งถึงสันติโกเต็มภูมิแล้วจะถามใครหาอะไร อันนี้ก็เคยได้พูดเคยได้เทศยกตัวอย่างว่าอัญญตระพิคุปการกลังดําเนินธรรมะขั้นสูงถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมขั้นของธรรมแล้วเป็นธรรมะขั้นสูงอยู่มากทีเดียวเกิดข้อค้องใจสงสัยในนา ม, มขันนี่แหละคือเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งสังขารวิญ ญ, ญาณสัญญาสังขารเป็นของสําคัญมากนี่ใช้กันตลอดเวลา พิจารณาเกิดความข้องใจสงสัยในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระคันธกุรีเท่านั้นฝนก็หน่ำลงมาขึ้นทูลถามไม่ได้ก็ยืนกำหนดอยู่นั่นเวลาฝนตกจากหยดย้อยจากแคยคาลงมาถูกน้ำที่อยู่พื้นแล้วตั้งเป็น ต, ต่อมเป็นฟองขึ้นมา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 ว่าทำไมจึงไม่ไปทูลถามก็จะถามท่านอะไรเน่ยจึงลเล่าเรื่องอันนี้ออกมาเป็นนิทานให้เราทั้งหลายทราบนั่นแหละสันทิิโกเต็มภูมิแล้วอยู่ที่ไหนก็รู้และศาสดาองค์เอกถึงขั้นที่จะควรสอนตนได้อะไรไรเป็นธรรมทั้งนั้นดังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดเวลามหาพระมหาเทระถามท่านว่า ท่านมัน่นท่านอยู่องค์เดียวท่านอยู่ในป่าในเขาฉะนั้นเวลาเกิดข้อข้องใจในอานาธรร ม, มาท่านไปศึกษาปลาโรค ก, กับไข่พอพระมหาเถรละถามอย่างนั้นท่านก็ยกมือขึ้นสาธุกระผมขอประทานโอกาสไม่ในประมาทในสิ่งทั้งหลายโดยประการทั้งปวงกระผมฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน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 มีเราเขียนไว้ในประวัติของท่านก่อนท่านพูดเองอันนี้ชัดเจนมากทีเดียวแล้วเข้าถึงจิตทันทีนี่แหละเป็นอย่างนี้หละฟังเ ส, งสนั่นแหะท่านกฟังธรรมทั้งกลางวันกลาืนถึงขั้นที่ควรจะได้ฟังควรฟังธรรมทั้งกลางวันกลางืนแล้วต้องฟังอย่างนั้นอยู่คนเดียวเป็นที่แนบสนิทใจมากกว่าอยู่กี่คนก็ตามเพราะเป็นความสะดวก เนื่องจากการตังเทศการฟัณธรรมการพิจารณาธรรมทั้งหลายที่เกิดโดยอัตโนมัติโดยลําพังตัเองกับสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติโดยลําพังตัวเองเรียกว่าภาวนามัญปัญญาแล้วย่อมจะพิจารณากันได้ตลอดทั่วถึงทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถไม่กําหนดกฎเจนว่าเวลาเท่านั้น ท, ทํามเพียรอ น, นั้นเวลาเท่านี้ทำความเพียรนี้เพราะทํากับใจสัมผัสสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลา ทั้งฝ่ายทุกฝ่ายสมุทยัยทั้งฝ่ายมากักตะลุมบอลกันอยู่ตลอดจนกระทั่งในจิเลศฝ่ายทุกสมุทยัยได้คังพินาศเสียจากใจและเท่า น, านั้นเรื่องมักซึ่งหมุนตัวเป็นเตียวเป็นธรรมจกักสุึงจะยุติลงโดยไม่ต้องให้ใครมาห้ามนั่นเมื่อถึงขั้นยุติล้วยุติเองนี่แหละการปฏิบัติธรรมทำเหล่านี้กับ ส, สมัยนี้กับสมัยคัง้งพุทธกาลเหินห่างไปไหน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 ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสลุนล้วนหลอกทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นมันคือมันลาสมัยไอผู้เชื่อก็ไม่มีคำว่าคือวาลาสมัยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันเชื่อได้วันย่างค่านี่แหละที่มันหมุนหัวใจของเราให้รับความทุกข์ความลำบากแล้วมักคือสมีสติปัญญาสตาความเพียรเป็นสําคัญไปอยู่ที่ไหนมันจึงดคือวลาสมัยนั่งหนาให้กิเลสเหยียบย่ำทํำลายทั้งวันทั้งคืนไม่นําออกมาใช้บ้างเหรอือทําไมเอาไว้ทําไม ผู้ปฏิบัติไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาแก้กิเลส จ, จะเอาอะไรแก่ขั้งพุทธการท่านอาอะไรแก้ท่านเอาสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี้มาแก้กขากิเลสกิเลสอยู่ที่หัวใจของเราหัวใจก็ไม่เคยไ ม, เยไม่เคยล้าสมายัยรู้ตลอดเวลาด้วยความรู้ของตนกิเลสมีอะไรขึ้นมาก็รู้ความทุกข์ความลําบากมากน้อยเพราะอํานาจของกิเลสก็รู้และสติปัญญาที่จะนํามาใช้แก้กิเลส มีอยู่ในหัวใจดวงเดียวกว่า น, นี้ทําไม่จะคือทำไมจะน่าสมัยถ้าไม่เราถ้าเราไม่ตั้งตัวเป็นคนคือคนน่าสมัยฝางาศาสนธรรมของพระเจ้าเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นไงไปเป็นเทวทัต<ม>ก็เป็นเราเองเป็นผู้ทําลายเราทำลายอัดทาลายรำความจริงทั้งหลายกลายเป็นเรื่องความปลอมไปหมดในหัวใจของพระกรรมฐานเราเป็นอย่างไรพิจารณาที่ท่านทั้งหลายนี่สอนหมู่เพื่อนจนแทบเป็นแทบ ต, ตายแล้วนะทุกวั น, นทำไมมันยังไม่ถึงใจกันนะบ้าง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 เอาจยกันน้ำตาล่วงก็เป็นนี่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆสู้กิเลสไม่ได้มันเยียบเอาต่อหน้าต่อตานเนี่ยจนกระทั่งน้าตาล่วงโถงขนาดที่นเที่หรือวะกูจะมีกำลังสู้มึงเอาเอาให้มึงพังสักวันไม่ได้เหรือยังไงก็เอาเธอนหน่ะเหมือนกับว่าผูกโกรธผูกแค้นแต่โกรธแค้นอันนี้มันเป็นมากนั่นให้ท่านทั้งหลายทราบนะ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 ประเภทที่ยาบโลนที่สุดก็มีทําไม่ธรรมะซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะปราบกิเลสหลายหลายประเภทนั้นไม่จะปราบไม่ได้มีไม่ได้ถ้ามีไม่ได้เราจะบริสุทธิ์ได้ยังไง <_ S 1> <_ S 2> เครื่องมือปราบกิเลสต้องให้พอกันสิเมื่อกิเลสมันมันผาดผลธรรมะต้องผ่าผลกิเลสแหลมคมธรรมะต้องแหลมคมกิเลสเฉียบขาดธรรมะต้องเฉียบขาดไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนะนี่แหละท่านเรียกว่ามากักเช่นอย่าง ก, การผูกโกรดผูกแคลนอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของมัก คือผูกโกรธผูกแค้นในกิเลสมากเท่าไความขมักขมแนนความมีเจืใจความมุ่งมัน่นที่จะสังหารกิเลสที่มันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนั่นแหละความเพียรยิ่งหนักขึ้นไปโดยลําดับบุญดาสุดท้ายกิเลสก็พังได้ด้วยความโกรธความเครียดแค้นอันนี้ไม่สงสัยนี่แหละท่านเรียกว่ามาเออไม่ใช่เอะก็จะเป็นกิเลสไปหมดเป็นกิเลสไปหมดอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานก็เป็นกิเลสอยากอะไรก็เป็นกิเลสบางเวลากิเลสมันเหยียบหัวด้วยความอยากของมันจน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 มันถึงเจตนาชันกันนี่ทำมาเหล่านี้คือล่าสมัยที่ไหนมันอยู่กับหัวใจทุกสมูทายมัน ม, ม, มันทันสมัยเมื่อไรเ่เท่าไหร่มาร ก, ก็ต้องทันสมัยเช่นเดียวกันแล้วนิโรธก็จะเป็นความดับกิเลสกระได้โดยดับท่อหน้า ข, ของมารมีกําลังกล้าสามารถนั่นเองมีผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงคํานึงเสมอเราอยาให้แต่กิเลสมันเอาไปใช้หมดถ้าเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วเอาไปใช้หมดใช้หมดเอาวที่ถึง ข่าวที่เด็เดๆลงไปมันควรตายอ้าตายเถอะน่ะโลกอันนี้มันเกิดมาแล้วตายตั้งนั้นเราตายด้วยการต่อสู้ในสงครามระหว่างทำกับกิเลสแล้วให้เห็นเถอะน่ะกุศลธรรมมาของเรามันไม่ฉลาดทันกิเลสแล้วให้กิเลสมันกุศลาเสียโดยความฉลาดของมันถ้าภาวาเรามีความฉลาดแหลมคมพอแล้วกุศลากิเลสให้มันแหลกกร ะ, ะจายไปหมดจากหัวใจนี่นะเลิดเลยละ่ะอถ้าลงถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรแล้วจะเสมอไม่มีอะไรเทียบแล้ว ทำท่านเป็นอย่างนั้นนะถ้าเรเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอย่างนั้นแล้กิเลสเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติจ้องคํานึงเสมอให้ใช้สติปัญญาอย่ามาอยู่ก็ับงันๆเล่นๆดัน ๆ, น ๆ, นๆมองไปไหนก็ขวางหูของตามันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกแสดงออกรอบตัวอยู่มันไม่เห็นมีทำแสดงออกมาเลยผู้ปฏิบัติยังไงจึงเป็นอย่างนั้นมันทําให้คิดนะ เพราะเหตุไรเพราะผู้สอนนี่สอนแทบเป็นแทบตายสอนเพื่อความรู้ความฉลาดให้ทัานกลอมายาของกิเลสทุกแง่ทุกมุมที่มันมีอยูในหัวใจและแสดงออกมาให้เห็นไม่ให้มันมีเหลือเลยด้วยอานาจแห่งความฉลาดของธรรมที่สอนนี้นะ่ะเรามุ่งอย่างนั้นต่างหากนี่วันนี้อธิบายถึงเรื่องวิธีการต่อสู้กับกิเลสให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเอาให้ถึงใจ ธรรมะอยู่ที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสพังไปแล้วใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งนะโอเมันเห็นที่ใจ่เอผู้ปฏิบัติเราอยู่เฉยๆเอาเดินโยกมก็เดินจนมันมันเมื่อยมันจะตายให้เห็นดูสิวะเหมือนเขาทํางานทั้งหลายเยเขาทํางาน ทั้งหลายนั่นอ่ะเขาเกือบเป็นเกือบตายนะเราหาความเพียรไม่ได้หาความอดทนไม่ได้เพียงเดินโยกมือจับหยอกวัวแต่จะตายแล้วมันได้เรื่องอะไรก็เหมือนกับเขาทํางานนั่นสิทําเหมือนเขาทางานเอาเดินยโยกเดินมันจะเป็นยังไงดูความทุกข์มันเมื่อมันหิวขนาดไหนเอาดูกําหนดดูมันจะเป็นยังไงให้ถึงเหตุถึงผลถึงทิศถึงถิงกันมันถึงจะได้คําพูดออกมาพูดด้วย จากการเดินจงกรมเมือม่อเมืหิวจะจะเป็นจะตายมันเป็นทําขึ้นมาให้เราได้ดนํามาพูดดื้อเป็นคติสอนเราเป็นอย่างดีไม่สงสัยเอานั่งก็เหมือนกันถึงเวาลาที่จะฟาดกันลงให้สะบ้านหันแหลกอ่านั่งลงไปปัญญาอย่าถอยอย่าไปนั่งเฉยๆทนเฉยๆไม่ใช่เรื่องความเพียรเดินจงกรมเฉยๆไม่มีสติปัญญาไม่เรียกว่าความเพียรนั่งเฉยๆและอยู่อียบ่นใดก็ตาม อ, อยู่เฉยๆสู้เฉยๆสู้กิเลสด้วยความทนเฉยๆอย่าเอาไปใช้ ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องห้ามหันกันเสมอสู้กันด้วยสติสู้กันด้วยปัญญาสู้กันด้วยความภากเพียรไม่ถอยนี่จึงเรียกว่าการต่อสู้เอามันจะเมื่อจะหิวขนาดไหนกห็มันเมื่อมันหิวด้วยการต่อสู้แบบนี้นี่แหละแล้วอย่างไงก็จะได้เหตุได้ผลออกมาเป็นคติเครื่องเตือนใจเครื่องสอนใจตนเองฝังอย่างลึกภายในใจิตใจไม่มีวันลืม เอานั่งมากเป็นยังไงสู้กิเลสในขณะที่เรานั่งมันจะเป็นจะตายเวลาจะตายมันยิ่งหนักยิ่งกว่านี้เรานั่งอยู่นี้มนไม่ได้ถึงขั้นตายแล้วมันทําไมจะสู้ไม่ได้เออทุกข์มันมาจากไหนกําหนดดูเรื่องของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายของเรามันเป็นยังไงเมื่อใจได้หนักแน่นในการพิจารณาแล้วทุกข์จะไม่มีภายในใ จ, ใจิตใจจะไม่แสดงนอกจากเรื่องความทุกข์ภายในร่างกายเจ็บปวดแสบร้อนต่างๆมันจะแสดงขึ้นใต้มภูมิของมัน สติปัญญามีฟ้าให้เต็มภูมิของสติปัญญาแล้วจะทราบกันในเรื่องอะแล้วแยกกันออกทกุก็สักแต่ว่าทุก อ, อะไรอะไรก็สักแต่ว่านั่นนนเท่านั้นความจริงเต็มส่วนในหัวใจแล้วอยู่สบายแล้วเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนภายในจิตใจนี่ได้คติมาแล้วขั้น น, นี่แหละวีธสีการพิจารณาผู้ปฏิบัติ เีนือะไรยอมหยอมแดดแๆมีตัแต่กลัวเป็นกลัวตายเดินจงกรมนั่งสมาธิเผ่านาไม่ได้น่าอะไรหลังไม่ได้เหน็ดได้เหนื่อยอะไรเลยดูสิเขาทํางานเขาแทบเป็นแทบตายเราไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรงานของเราก็เช่นเดียวกับงานของโลกถึงคขามันหนักต้องยอมรับอ๋อหนักก็หนักเป็นยังไงสู้จนให้มันถึงขีดถึงขีดถึงแันนีิเรื่อเรียกว่าเป็นผู้ประกอบความภากเพียง อ๋อเจ็ดเอาแค่นี้แหละ